โยมยังสงสัยนีม่มนพระผู้เป็นเจ้าอุปมาให้แจ้งก่อนพระนาคเสนถวายพระพรอุปมาว่ามหาราชะดูรานะบพิษพระราชสมภารเปรียบปานดังบพิษพระราชสมภารชนี้เมื่ อ, อยังเป็นทารกแรกประสูตินั้นพระกำนันนางนมเชิญให้บรรทมหงายอยู่บนพระที่พระยี่ผู้ณพระอู่ทองแต่เมื่ อ, อยังเป็นทารกอยู่นั้น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 มารดาก็จะกลายเป็นอื่นเมื่อตั้งคณะเป็นเนื้อแน่นตราบเท่าแตกเป็นปัญจสาขากายาบริบูนั้นมารดาก็จะกลายเป็นอื่นเป็นอื่นไปทุกทีตราบเท่าออกจากคันมารดายังเป็นทารกอยู่มารดาก็จะกลายเป็นมารดาอื่นครั้นจำเริญใหญ่มารดาก็จะกลายเป็นอื่นนี่มารดาก็ยืนอยู่ผู้เดียว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 ฝ่ายพระเจ้ามิลินปินประชากรจิงตรัสว่าเมื่อเป็นไปอย่างนี้เล่าพระผู้เป็นเจ้าจะเห็นเป็นกรไรจงวิสัชนาไปในการบัดนี้พระนาคเสน จ, จิงมีวาจาถวายพระพรว่ามหาราชดูราณะบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐยิ่งมิ่งมหาศาลเปรียบปานเหมือนอาตมาชนนี้และเมื่อยังเป็นทารกอยู่ก็ตัวอาตมา